เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ควรทำความรู้จักทำความเข้าใจธรรมะที่เราศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องคุณลักษณะอย่างหนึ่งของธรรมะนะนอกเหนือจากที่เราได้สาธยายมาสักครู่นี้ก็คือเป็นเครื่องช่วยทวนกระแสเป็นเครื่องทวนกระแสทวนกระแสอะไรนะ อย่างแรกคือทวนกระแสโลกนะจะเรียกว่าสวนทางกับกระแสของชาวโลกก็ได้อย่างชาวโลกนี่เขามีความเชื่อว่าถ้ามีทรัพย์สินเงินทองมากๆนะจึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ต้องสแสวงหาตักตวงครอบครองให้ได้มากที่สุดแต่ว่าธรรมะในพุทธศาสนานี้ มองไปอีกทางหนึ่งนะคือแทนที่จะมองว่ายิ่งมียิ่งได้มากๆยิ่งมีความสุขกลับมองว่าการสละนะการสละการให้หรือการวางต่างหากนะที่ทําให้มีความสุขนะยิ่งสละยิ่งวางมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นที่จริงอันนี้ก็เห็นได้จาก เจ้าจริยวัดของเจ้าชาสิทธัต ถ, ถะนะกรงก็เรียกว่าเป็นรัชทา ย, ยาทถ้าอยู่ต่อก็จะได้ราชบัลลังก์แล้วก็คงจะได้มีบริษัทบริวารมากมีโอกาสนะที่ได้เป็นจกกักรพรรดินะเพราะว่าตอนที่เพิ่ง อ, อุบัติขึ้นมาใหม่ๆนะก็มีการพยากรนะ ว่าพระองค์จะได้เป็นจกักรพรรดิหรือมิฉะนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้างั้นถ้าพระองค์ได้อยู่ต่อของเราจะสมบัติแตถ้าเกิดคำพยากรณ์ น, นั้นจริงนะก็ยอมจะมีทรัพย์สินเงินทองมีบริษัทบริวารมีอำนาจได้ครอบครองดินแดนกว้างขวางเจ้าพระพุทธเจ้าเจ้าชายิทธัตถากลับเลือกอีกทางหนึ่งก็คือสละหมดเลย ไม่เอาเลยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองรัชบัลลังอำนาจบริษัทบริวารแม้กระทั่งครอบครัวอันนี้ก็เป็นเป็นสัญลักษณ์นะของการทวนกระแสของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของธรรมะที่พระองค์แสดงธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราดูสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยก็คือทานทานคือการให้ บุญกิริยาวัตถุนะซึ่งมีอยู่สก็เริ่มต้นที่ทานตามโมเรสีและภาวนาบุญกิริยาวัตถุที่มี10ประการนะเริ่มต้นในทานแล้วก็ลงท้ายโดยที่ตุกข์กรรมหรือการทําความเห็นให้ถูกต้องทานก็เป็นข้อแรกบารมีสิบนะที่ทําให้บุคคลพัฒนาตนเป็นพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นที่ทาน ตามมาด้วยศีลแล้วก็เนคขมมะแม้แต่โทษพีลรัชธรรมนี่ก็เริ่มต้นที่ทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราพิจารณาดีก็จะเห็นว่าเนี่ยการให้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกุณธรรมพื้นฐานของชาวพุทธของนักปฏิบัติธรรมอันนี้มันก็ทวนกระแสโลกนะโดยเฉพาะโลกยุควัตถุนิยมหรือว่าโลกยุคทุนนิยมนะที่เห็นว่าต้องมีมาก ความสำเร็จในชีวิตก็คือว่ามีมากแค่มีมากแค่ไหนมีมากเท่าไหร่มีมากได้มากก็ถือว่าสำเร็จมากกว่าคนที่มีน้อยได้น้อยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือว่าทรัพย์สินเงินทองรถยนต์บ้านที่ดินแข่งกันว่าใครจะมีเงินมากเท่าไหร่ อย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีการจัดอันดับเศรษฐีก็เป็นที่สนใจคนมากได้มากเท่าไหรก่ก็ถ้าได้มากสูงสุดก็ถือเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งผู้คนก็ใต่เต้าอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องสะสมกันมากแม้กระทังเทศกาลอย่านงนความสุขที่จะมาถึงเนี่ยนะความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็ต้องได้กินได้เที่ยวหรือว่าได้ของขวัญได้ของขวัญ น, นะถึงจะมีความสุข ได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปเล่นในวันสิ้นปีจึงจะมีความสุขอันนี้คือกระแสะโลกแต่กระแสะธรรมเนี่ยก็คือว่าต้องสละออกไปวันเกิดวันเกิดของชอบพุดนี่ทำอย่างไรนะก็ทำบุญให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่ า, าทำบุญเลี้ยงพระ แต่ถ้าเป็นวันเกิดของตะวันตกหรือคนสมัยนี้นะก็ต้องมีการเอาของขวัญมาให้แก่เจ้าของวันเกิดวันเกิดคือวันที่ฉันจะเป็นผู้รับเต็มที่เลยถึงจะสมภูมินะถ้าได้น้อยนะมันก็จะไม่สมเกียรติแต่ว่าชาวพูดเรานี่วันเกิดนี้ต้องเป็นผู้ให้เนะพราะการให้ทาให้เกิดสุขนะ ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้ก็จริงๆไม่ได้จำกัดเฉพาะทรัพย์สินเงินทองนะแต่รวมถึงชื่อเสียงกยิตยยศหรือว่าโลกธรรมด้วยนะผู้คนก็ทุกวันนี้ก็มุ่งสแสวงหาครอบครองโลกธรรมฝ่ายบวกเทืออิทธารมมีลาบมียศได้รับความเสริอแล้วก็มีความสุขความสุขในที่นี้ก็ อย่างที่บอกนะั่นเป็นสุขที่เกิดจากการได้การมีการเอาการครอบครองการเสพแต่ธรรมะทวนกระแสะโลกนะแล้วก็กระแสะโลกธรรมด้วยก็คือวสดละนะนอกจากสัะเงินทองแล้วนะก็ยังวัสดละไม่ปรารถนาชื่อเสียงกตยิยศนะอันนี้ก็มีแบบอย่างมากมายทั้งจากเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระพุทธเจ้าจนไปถึง พระอรหันตสาวกทั้งหลายอย่างพระปฏิยะนี่ก็เรียกว่าเป็นราชากลุงมกบิลพัทนะแต่ว่าก็สละสละทั้งรา ช, ราชบัลลังก์ความสะดวกสบายบริษัทบริวารแล้วก็มาครองเพศแบบแบบพิขาจารบรรพชิต ผมพาสามผืนฉันมือเดียวนอนใต้โคนไม้แต่ปรากฏว่าท่านกลับมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่ในวงังสออิกนะถึงกับป่ารบขึ้นมาอยู่คนเดียวว่าสุขหนอสุขหนอสุขหน อ, หนอเพราะว่าท่านได้สละแล้วนะสละสิ่งที่ชาวโลกอาพากันสแสวงหาจิตใจก็ปร่งเบานะไม่ต้องเหนื่อยในการ แสวงหามไม่ต้องเหนื่อยในการรักษาแล้วก็ไม่ต้องทุกเวลาสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปซึ่งมันเป็นธรรมดานะเมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบเมื่อยก็เสื่อมยศมีสารเสือก็ต้องเจอดินทามีสุกก็ต้องเจอทุกาชาพูทธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคารุขัดหรือว่าบรปชิตนีตจะมุ่งที่การเป็นผู้สละเริ่มจากการสละวัตถุ คือการให้ทานมันมีคำพูดนะเป็นพุทธภา ษ, ษีว่ากินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขกินคนเดียวไม่ได้รับความสุขนะต้องแบ่งนะต้องให้แต่ว่าโลกปัจจุบันนะไม่พยายามกีดกันไม่ให้คนอื่นได้กินเหมือนฉันมีเหมือนฉันนะเพะื่อทาให้ฉันรวยน้อยลงกระแสโลกธรรมนะมันก็เป็นกระแสที่เดี๋ยวนี้เป็นกันมากมาย ผู้คนต่างก็ดิ้นหล่นสแสวงหาเป็นในทุกวงการวงการศึกษานะวงราชการวงตงการธุรกิจวงการเมืองแม้กระทั่งวงการสงฆ์ก็แข่งขันกันเพื่อได้สมณศักดิ์ได้รับความยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้มันมันไม่ใช่กระแสธรรมนะกระแสธรรมที่บางทวนกระแสโลกธรรม ถึงแม้จะได้มาก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดในสิ่งนั้นนะก็ได้มาก็ใจไม่ได้ยึดไม่ได้เกาะด้วยอย่างหลวงพ่อโตนะท่านเป็นพระร า, าชกนชะชนสมเด็จนะสมเด็จพระพุทธจารย์เขาถวายพัย์โยตให้ท่านท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านเป็นสมเด็จคราวหนึ่งท่าน ไปชั้นได้รับนิมนต์ไปชั้นในในเขตสวนนะแถวราบบุรณะต้องนั่งเรือเข้าไปนะเรือเล็กเรือสำปั่นมีสิทธิ์วัดตามไปภายเรือแต่ว่าเรือเกิดไปเกิดตื่นเพราะว่าน้ำลงลกูกศิษิ์ก็ลงไปเข็นเรือเข็นไม่ไม่เคลื่อนท่านก็เลยลงไปเข็นด้วยนะเนื้อตัวเปียกปอนนะคนบนฝั่งเห็น ก็จำได้วันนี้สมเด็จเนี่ยก็ตะกนว่าเนี่ยสมเด็จเข็นเรือวย้ยสมเด็จเข็นเรือเวย้ยท่านได้ยินท่านก็บอกว่าฉันไม่ใช่สมเด็จ ด, ดอกยานะฉันชื่อครัวโตโจ่ะสมเด็จนี่อยู่ในเรือแล้วท่านก็ชี้ไปที่พัดยศ์ศคือเขาถวายพัดย์ยศท่านนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้คิดสําคัญบรรหมายว่าท่านเป็นสมเด็จท่านยังเป็นครัวโตอยู่ส่วนพัดย์ยศทหารนั่นคือสมเด็จนะ อันนี้เรียกว่าสละมกันนะสละคือใจไม่เกาะเกี่ยวอันนี้เรียกว่าวางวางเรื่องอสมณศักด์เรื่องกิตติยศนะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วท่านก็ไม่ได้สแสวงหาด้วยนะธรรมานีมน่มันทำให้เราทวนกระแสโลกนะเพราะว่าเราถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะพบว่ากลายเป็นผู้ให้นะ มันทำให้เกิดความสุขใจยิ่งกว่าการเป็นผู้ที่ดิ้นรนแสวงหามาครอบครองไม่มากไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเช่นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงให้ให้วัตถุอันไหนที่ให้ไม่ได้เพราะเขาถวายมาก็ใจก็ไม่ได้ยึดไม่ได้เกาะไม่ได้เกี่ยวแต่วางลงไปหรือบางทีก็ไม่ได้รับ เคยมีคนไปพูดกับท่านจ่าพุทธทาสนะท่านตำแหน่งสมณศักดิ์ของท่านก็เป็นพระธรรมโกาศาจาร์นท่านจ่าพุทธทาสนก็พูดเรื่องการไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกูนะไม่มีพิธีรีตองลูกศิษย์ลูกหาก็แปลกใจว่าทําไมท่านท่านรับสมณศักดิ์ก็ไปมอยท่านสละ สละสมณศักด์เป็นภาพป่าธรรมดาเป็นภาพป่าพ้าเถื่อนท่านบอกว่าก็เรายังไม่ได้รับเนี่ยจะสละได้ยังไงเขาเอาสมณศักด์มาถวายท่านท่านไม่ได้รับถึงแม้จะเอาพัดมาวางแต่ท่านใจท่านก็ไม่ได้รับด้วยเมื่อไม่ได้รับเราจะสละได้ยังไงก็เลยว่าวางตั้งแต่แรกอันนี้เราเป็นการทวนกระแสโลกธรรมเพราะว่าใครๆอยากได้ ถึงกับวิ่งเต้นกันนะทั้งพระทั้งโยมเดีย๋ยวนี้เป็นกันมากแม้แต่อาจารย์เหมาเไลยนะก็แค่หัวหน้าผ้าคนี้ก็อยากเป็นกันพอใครพอใครไม่สาบสูญตัวเองก็โกรธนะมีอาจารย์คนนึ่งก็ไปไ ป, ไปเดบแนมไปว่าเจ้าหน้าที่ในคณะว่าทำไมไป คนอื่นทําไมไม่หนุนชันให้เป็นหัวหน้าคณะให้เป็นหัวหน้าภาคอยากเป็นหัวหน้าภาคมากจังที่ตําแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนี่ก็เป็นกันมากนะแต่ถ้าว่าคนที่เข้าใจธรรมานี้ก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นภาระมากกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าตักตวงน่าแสวงหาเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีแล้วก็หมดนะ มันไม่เคยอยู่ยั่งยืนเคยมีคนเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปกราบหลวงปู่ดูอ่พรมะมปัญโยหลวงปู่ดู่ท่านอยู่วัดสแกยุธยาแต่มรณภาพาไปหลายปีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งไปชอบพระอุ ป, ปคุดมาท่านก็ถามว่าชอบมาทําไมก็อตอบว่าจะได้รวยไงหลวงพ่อจะได้รวยครับหลวงปู่ ท่านและหญิงก็ท่านก็เปรยขึ้นมาบอกๆว่ารวยกับซวยมันมันใกล้กันนะไอ้หนุ่มคนนั้นก็งงว่าหมายเขาว่าไงหลวงปู่เขาบอกออกเสียงคล้ายๆกันแล้วท่านอธิบายว่าเนี่ยรวยเนี่ยนะมันต้องเหนื่อยนะในต้องทุกข์ในการแสวงหาทุกข์ในการรักษาพอสูญทายไปก็ทุกข์อีกอย่าเอารวยแนละ้วเอาเอาดีดีกว่าเอาดีก็คือการรู้จักให้นรู้จักแบ่งปัน ในธรรมะนีมน่มันเครื่องช่วยทวนกระแสนะหากว่าเราเข้าถึงธรรมะนะเราก็จะพบว่าความสุขจริงๆอยู่ที่ใจมันไม่ใช่อยู่ที่วัตถุสิ่งของไม่ได้ที่ชื่อเสียงเกติยศความสุขอยู่ที่ใจนะถ้าใจสงบนะมันก็มีความสุขได้ถ้าใจรู้จักพอก็มีความสุขได้แต่ถึงได้มาไม่ว่าจะได้ม า, มากเท่าไหร่ใจไม่รู้จักสงบ ใจไม่รู้จักพอมันก็ต้องดิ้นหลนสแสวงหาอยู่ล่ําไปแต่และ ว, วันแต่และคืนก็นอนไม่หลับกลุ้มใจทำไงจะหายได้มากๆทำไงจะมีเยอะๆะความสงบนะมันเกิดขึ้นจากการที่รู้จักละนะรู้จักสละเริ่มจากการสละวัตถุสิ่งของแล้วก็สละสิ่งที่เป็นโลกธรรมอันนี้มันเป็นการทวนกระแสกิเลสนะ นอกจากทวนรธรรมะนอกจากทวนกระแสโลกล้วแม่งทวนกระแสกิเลสกระแสกิเลสมันต้องการได้ต้องการมีต้องการครอบครองเยอะๆต้องการให้คนชื่นชมสรเสริญนเดี๋ยวนีน้ต้องการมากยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่ a c e b o o k มันบูมอัโปโหลดอะไรขึ้นไปไม่มีคนกดไลค์ก็เป็นทุกข์ละกดไลค์คือว่าถูกใจ ก็เป็นสารเสพติดแบบหนึ่งพอคนกดไลค์น้อยหรือไม่กดก็โกรธเพื่อนน้อยใจเพื่อนทําไมไม่กดหรือบางทีก็เกิดความไม่มั่นใจว่าทำไมเราทําอะไรผิดหรือเปล่านะวันนี้กดไลค์วันนี้คนกดไลค์น้อยลงวันไวายสิเองนะต้องตามใจกระแสะต้องทําอะไรตามใจผู้คนค่อยได้กดไลค์เยอะๆอันนี้มันก็เรียกว่าออกนอกเรียว่าออกทะเลไปแล้วนะคนเราถ้าทําตามใจผู้คนเพื่อจะให้เขาชมเขาสารเสริญ หาความสุขได้ยากแต่ น, นี่แหละเป็นธรรมชาติของกิเลสนะกิเลสไม่ต้องการทาชื่นชมสรรเสริญไม่ต้องการมีมากๆอคนเราถ้าเราทําตามกิเลสแต่พึพือไปนะมันจะมีความสุขได้อย่างไรนะเป็นท่าของกิเลสธรรมะนี่ช่วยทําให้เราทวนกระแสกิเลสนะเวลาโกรธใครเนี่ยมันอยากจะดา่าอยากจะทํำร้าย อยากจะเล่นงานแต่ถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะนะเราก็ยิ่งพยายามที่จะทวนกระแสไม่ทําตามความโกรธโกรธเกิดขึ้นมาไรนะก็พยายามที่จะบรรเทานะไม่ทําตามมันเช่นให้อภัยนีจิตคิดพยาบาทนะแทนที่จะหาทางเล่นงาน ก็ให้อภัยเขาซะให้อภัยไม่พอนะแผลไม่ตายด้วยตั้งจิตปรารถนาดีให้เขาให้การสละความโกรธเนี่ยการปล่อยวางความโกรธเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคนส่วนใหญ่นี่ยิ่งมีความโกรธก็ยิ่งเก็บต้องยิ่งรักษายิ่งยิ่งประคับประคองเอาไว้คนในยุคนี้ไม่ไม่ใช่แค่รวบรวมไม่ใช่แค่สะสมเงินทองแสวงหาเงินทองเท่านั้นนะแต่ว่ายัง เก็บสะสมความโกรธเอาไว้ไม่รู้ว่เก็บไปทําไมนะในเมื่อความโกรธมันมันไม่ได้ทำให้มีความสุขเลยเก็บสะสมความโกรธความเกลียดความชังเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอันนี่คือกระแสะโลกแต่ถ้ากระแสธรรมนี่มันทวนกระแสะโลกยิ่งโกรธนะก็ยิ่งต้องรู้สึกถึงความจําเป็นในการที่จะปล่อยวางปล่อยวางความโกรธด้วยการให้อภัย หรือว่าดับความโกรธให้หายรุ่มร้อนด้วยการแผ่เมตตากระแสกิเลสนี่เวลาเห็นใครดีกว่ามีมากกว่าอิจฉานะในช่วงนี้คนอิจฉาตาร้อนกันเยอะเพราะว่าเริ่มจะจ่ายโบนัสกันละพอรู้ว่าเพื่อนได้โบนัสมากกว่าก็อิจฉาคุณเครื่องนะต้องรู้จักสละนะรู้จักวาง ความอิจฉาลงเริ่มต้นในการสลัด เ, เริ่มต้นในการให้ทานให้สิ่งของแต่ต่อไปก็ต้องรู้จักสลัดรู้จักวางในสิ่งที่มันทําได้ยากขึ้นนั่นก็คือความโกรธความอิจฉาความพยาบาทใครเขาได้ดีใครเขาได้ละคําสรับสริญชื่นชมมากกว่าเราเราก็แสดงมุทิตาจิต ยินดีเขาที่เขาได้ดีดได้ดีเขาได้ดีเราก็ดินดีด้วยเขาทำดีเราก็ไม่อิจฉาเขาหาว่าเขาอยากเด่นอยากดังแล้วก็อนุโมทนาด้วยอันนี้ได้บุญนะเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดเกิดจากการอนุโมทนาชื่นชมในความดีที่ผู้อื่นได้ทำ ถ้าใครใครก็ทำดีแล้วก็ยินดีด้วยอันนี้เรียกว่าปัตตานุโมทนาในก็ได้บุญปัตตานุโมทนาใหม่ใครก็ได้มากนะเราก็ยินดีด้วยมุทิตาจิตมันก็เป็นเครื่องมือในการเจริสละที่จะวางความโกรธความอิจฉาความเกลียดความชังนะซึ่งทำได้ยากกว่าการให้เงินให้ทองหลายคนขยันทำบุญนะแต่ว่า ไม่รู้จักสลัดหรือสละความโกรธยังเก็บความโกรธเอาไว้โกรธสามีนะที่นอกใจโกรธเพื่อนนะที่ตำหนิตีดเตี้ยนหรือต่อว่าด่าทอเรายิงใกลชิดมาเท่าไหร่ก็ยิงโกรธมากแล้ยิงโกรธเท่าไหร่ก็ยิงเก็บมันเอาไว้กระแสโลกเป็นอย่างนั้น บุญคุณต้องตอบแทนความแค่ต้องชำระยิ่งโกรธเท่าไหร่ยิ่งต้องหาทางตอบโตจะต้องรักษาความโกรธเอาไว้โกรธแค้นไปสิบปียีสบปีก็ไม่สายนะมันมีสำนวนไวเนะี่ยเก็บความโกรธสิบปีสิบปีก็ไม่สายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ฝ่ายทำแล้วนะมีแต่คนขวายที่จะสละที่จะวางความโกรธลงไป โดวยวิธีใดก็ได้รวมทั้งความความเศร้าด้วยนะความเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียไรู้จะเก็บมันไปทําไมนะเก็บไปก็บั่นทอนจิตใจต้องรู้จักสละออกไปอาการสละนี่ทันได้ไงก็ภาวนานะภาวนาเนี่ยช่วยทําให้เรารู้ทันอารมณ์อกุศลที่มันครอบงําใจแม้มันจะเจ็บปวดเพราะว่าตัวตนถูกกระทบกระแทก กิเลสมันก็อยากจะตอบโต้แก้แค้นนะถ้าไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายตัวเองนะด้วยความสึกผิดอันนี้เป็นธรรมชาติกิเลสซึ่งถ้าเราเป็นผู้ฝ่ายธรรมมีสติปัญญาก็จะไม่ปล่อยใจให้หลงหรือว่าไหลไปตามกระแสกิเลสต้องทวนกระแสกิเลสขึ้นมานะคือการปล่อยการวาง ทั้งสิ่งที่เป็นอิทธารม่มเช่นลาบโยสุกสารเสริญก็ต้องปล่อยด้วยการให้ทานหรือด้วยการที่ไม่ยึดติดถือมันไม่เกาะเกี่ยวไอ้สิ่งที่เป็นอนิทารม่มความโศกความเศร้าความขุนเคืองใจความอิจฉาภัยาบาทก็ต้องรู้จัดสละพระภาวนที่มันช่วยได้มากทีเดียวยช่วยทําให้สละช่วยทําให้วางแต่บางคนภาวนาไปภาวนาไปมันอยากได้ขึ้นมานะ่ะ ทำด้วยความเครียดทำด้วยความหงุดหงิดทำด้วยความทุกข์ท้อเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไม่ได้เละไม่ได้ความสงบไม่ได้โน่นไม่ได้คุณไม่ได้คุณวิเศษก็มีนะเหมือนกับหลายคนที่ทำบุญให้ทานก็เพราะอยากได้อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากรวยอยากถูกหวยอยากถูกรัตตอรี่นะการให้ทานที่ไม่ได้ มุงสละจริงๆนี่มันก็ไม่ใช่เป็นการให้ทานที่ถูกต้องแบบชาวพุทธไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตพระไศลบุตรนะเคยกล่าวาว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้พ่อหวังอุปัติสุขอุปัติสุขก็คือโลกียสุขหรือว่าการได้ลาบจ้าสุขสารเสริญนั่นเองบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังอุปัติสุขหรือไม่หวังพบใหม่นะแต่ให้เพราะมุ่งกําจัดกิเลส แล้วก็เพื่อการไม่ก่อพบไม่ก่อพบคือไม่ไปเกิดนั่นเองเนี่ยไอการที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีอันนั้นไม่ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะการที่หวังจะทําบุญให้ทานเพื่อหวังรวยหวังมีหวังได้เนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตแต่มุ่งกําจัดกิเลสนะก็คือทวนกระแสกิเลสนั่นเองเพอะกิเลสมันอยากได้นะทวนกระแสกิเลสคือว่าไม่อยากได้มีแต่ถึงได้ก็สละออกไปหรือว่าวางไม่ยึด ว่าเป็นของเราเนีนธรรมะนี่มันทวนนะเป็นเครื่องทวนกระแสะโลกทวนกระแสะโลกกธรรมส่วนกระแสะกิเลสและสุดท้ายมก็ทวนกระแสะทุกนะทวนกระแสะทุกเพราะว่าคนเราเนี่ยนะพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจนี่ก็ทุกทันทีเลยตาเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจนะเกิดสุข เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ทุกเลยมันทุกง่ายเหลือเกินนะเวลาเจอรูปรถกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือที่ไม่ถูกใจทั้งคนเราถ้าไหลไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสกิเลสก็ในสื่ก็ต้องไหลไปตามกระแสทุกคือพุ่งเข้าหาความทุกข์ไหลไปเจอความทุกข์ยิ่งถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลความขุนเคืองใจความคับแคนใจความโกรธความเปียบบัต ความเศร้าวความรู้สึกผิดเนี่ยก็ยิ่งจมจมหรือว่าไหลวนอยู่ในกระแสะแห่งความทุกข์แต่ว่าถ้ามีธรรมะนะมันทําให้สามารถทวนกระแสะทุกข์ได้แม้ว่าจะเจ็บจะป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ทุกข์แม้ว่าจะสูญเสียนะก็สูญเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าความปกติสุขในใจก็ไม่เสียไปด้วย อันนี้เราว่ามันทวนกระแสะทุกนะเพราะคนส่วนใหญ่นะพอเจ็บป่วยพอพอสูญเสียหรือว่าถูกติชินดินทาก็ทุกเลยเป็นธรรมดานะถ้าปล่อยใจไปตามกระแสะโลกนะมันก็หรือกระแสะกิเลสมก็เข้าหากระแสะทุกไปในที่สุดแต่มันทำได้นะแม้ว่าจะเจ็บจะป่วยนะก็ไม่ทุก ป่วยแต่กายใจเป็นปกตินะอย่างหลวงพ่อของเรานะท่านก็ป่วยหนักนะแต่ว่าก็กลับพูดว่าสนุกป่วยด้วยซ้ำนะพูดว่าสนุกป่วยใจท่านเป็นปกติได้แม้กระทั่งเมื่ออาการลุกลามจนใกล้ความตายนะท่านก็จิตใจท่านก็ไม่หวั่นไหวก็เป็นปกติได้พร้อมรับความตายในความตายหรือความเจ็บปวดก็เพียงแต่ทําให้นะ กลายแปลผันไปนะแต่ว่าใจยังเป็นปกติได้คนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะหนีความทุกข์ไม่พ้นนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเจอทุกแล้วนี่มันก็จะลอยไปตามกระแส น, น้าเหมือนกับจอกแห น, นะนะไม่ใช่เจอทุกคือความแก่ความเจ็บความพัดพลาด ค, ความตายก็จิตใจก็ยังเป็นปกติได้อันนี้เรว่า ทวนกระแสทุกนะพ่ออะไรพ่อมีธรรมะการได้เจริญภาวนาโดยพ่อสติปัฏฐานเนี่ยมันทําให้เห็นทุกนะแต่ว่าไม่เป็นทุกคนเรานี่พอเจอทุกแล้วมันเป็นทุกเลยไม่ว่าทุกที่เป็นทุกทางกายหรือทุกทางใจไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความเจ็บป่วยพอเจอทุกนะ เป็นทุกข์เลยแต่ธรรมะนี่ยทําให้เราพอเจอทุกข์นะมันไม่เป็นทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วถ้าใครควรทุกข์พิจารณาทุกข์ก็อาจจะพ้นทุกข์ได้หลวงพ่อเขียนแล้วก็เขียนอาไว้นะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะจนพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเห็นทุกข์นะจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องเจอทุกข์นะแต่เจอทุกข์แล้วแทนที่จะเป็นทุกข์ก็ไม่ไม่เห็นทุกข์เห็นด้วย สติเห็นด้วยปัญญาทีแรกก็เห็นด้วยสติก่อนเห็นว่าทุกเกิดขึ้นที่ใจทุกเกิดขึ้นที่กายแต่ว่าไม่ไม่เป็นผู้ทุกข์ตอนหลังก็เห็นเลยว่าเออทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันมีอะไรที่น่ายึดถือนี่ก็เรียกว่าสลัดวางปล่อยอย่างสิ้นเชิงก็เรียกว่าพ้นทุกข์ได้ เพียงแค่รู้จักพิจารณาวความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นทุกข์นี่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วในสาัยพุทธกาลนางสามาวดีโดนไฟครอกถูกแกล้งนะให้ไปติดอยู่ในปราสาทที่เขาเก็บเก็บผ้าแล้วก็จุดไฟเผาออกไม่ได้ไฟลุกทวมตัวนางสามาวดีแทนที่จะโกรธนางมาคันติยาผู้เป็นตัวการก็แผ่เมตตาให้อภัยท่า น, นอาจารยไพภพก็ยัง เจรญสติปัฏฐานนะเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือเวทนานุปัสสนานั่นแหละเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในเวทนาที่เกิดขึ้นในความเจ็บความปวยของกายก็เห็นมันนะเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นทรงจิตนะจิตก็อยู่อยู่เหนืออยู่เหนือความทุกข์ถึงแม้ว่าร่างกายจะมอดไหม้ไปนะแต่ว่า จิตก็ได้เข้าสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นผู้เจ้าเมื่อได้ทราบก็พยากรณ์ว่าหรือบอกว่าการตายของน้ำไม่สูญเปล่าเพราะว่าได้บรรลุธรรมขั้นสูงท่นนี้เลยว่าเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นทุกข์หรือว่าไหลไปตามกระแสทุกข์ไม่ใช่กลับอยู่เหนือทุกข์ได้นี่เพราะอะไรเพราะธรรมะเพราะการภาวนาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ไม่ใช่มีเพียงแค่ธรรมะเป็นที่พึ่งนะแต่ว่าเราสามารถจะเอาธรรมะนี้เข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวก็ทําให้เราสามารถจะมีเครื่องช่วยให้ทวนกระแสะได้ไม่ลหลงไหลไปตามกระแสะโลกใครก็จะลหลงไหลจนกระทั่งคุ้มคลั่งก็เราก็ยังเป็นปกติได้ไม่ลหลงไหลไปตามกระแสะกิเลสนะยังทรงจิตสรงใจให้เป็นปกติได้ เมื่อเจอทุกก็ไม่เป็นทุกนะแต่ว่าเป็นอิสระจากความทุกได้เนี่ยต้องให้เราเข้าใจดีเนระาธรรมะีนอนิสงส์นะหรือว่าลักษณะพิเศษนะก็คือการที่เป็นเครื่องช่วยทวนกระแสได้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันไหลไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสกิเลสไหลไปกระแสทุกไหลไปตามกระแสทุ ก, กแสดงว่าย่างยั ง, ย, งยังไม่เข้าถึงธรรมะจริงๆอ่าล่ะคำนี้นเท่านี้นะกราบครบ